เอาน่าย่าซีเรียกเรื่องของแปลกวันนั้นหลวงพ่อนั่งรถแท็กซี่จากหมอชิดจะไปโรงพยาบาลิรีราชร เจอคนขับแท็กซี่ขี้โมโหหงุดหงิดด่าคนไปตลอดทางไอ้คนนั้นขับไม่ดีไอ้คนนี้เฮงซวยขับช้าไอ้บ้านี่ตัดหน้าไอ้บื้อนี่หยุดไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาพูดแต่ว่าแปลกจริงแปลกจริงแปลกจริงทางม้าลายมีไม่ข้ามแปลกจริงเวลาจะเลี้ยวทําไมไม่เปิดไฟเลี้ยว แปลกจริงที่ห้ามจอดดันทะลึ่งจอดหลวงพ่อทนรำคาญไม่ไหวใกล้ถึงสิรีราชแล้วท่านถามว่าคุณขับรถมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งมีคนมายั่วทําให้โกรธอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยครับวันหนึ่งกัหลายสิบครั้งท่านก็เลยบอกว่า มันมีบ่อยๆวันละหลายสิบครั้งมันจะแปลกยังไงของแปลกมันต้องนานๆเกิดครั้งหนึง่งวันนี้เกิดบ่อยๆอย่างตะวาดอยู่ได้ว่าแปลกจริงแปลกจริงอยู่นั่นแหละมันน่าจะบอกว่าเออธรรมดาจริงบ่อยจริงมากกว่า